ผมเคยคิดเรื่องนี้มานานครับอาชีพทั้งหมดในโลกนี้อะไรน่าสนใจนะผมมองมาเยอะแล้วนะฮะเพราะว่า ม, มีอาชีพที่น่าสนใจที่วัน ด, ดีที่สุดนะยนะฮะแปดเพื่อนน้อยที่สุดนะคือเป็นอาจารย์นายมหาวิไลแล้วก็ต้องสอนคณะที่ไม่เกี่ยวกับไอ้ทางนั้นด้วยนะเช่นคณะวิศวะอรมศาสนี้นะฮะถ้าอย่างนี้นะครับวิศวะนี่ <c oughs> ไปสร้างอะไรตีกันก็ ก็สร้างตึกสร้างบ้านสร้างช่องสร้างถนนถนนทางอะไรเนี่ยซึ่งเป็นครูสอนนะฮะเป็นครูสอ น, สอนดูแล้วรู้สึกว่ามันมันจะมีไม่ดีกับจริงแต่ว่ามันดีกว่าอย่างอื่นเยอะสอนเทคนิคนี่เมื่อก่อนนี้ก็เคยผ่านผ่านชีวิตครูมาอยู่อยู่ปีสมไมเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยนี่นะกับอาชีพอื่นทั้งหมดเลยนี่นะฮะผมดูแล้วนี่นะอาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดีที่สุดออืใช่ไหจาจ่าไม้นิด คือบ่มันก็ให้มันแปดเปื้อนอกุศลกรรมาบทน้อยที่สุดเนี่ยนะไอ้ที่ไม่เปื้อนหายากแต่ว่าให้เปื้อนน้อยที่สุดเนี่ยนะก็ประกอบไปประกอบมาก็เข้าปานาติบาตทําไปทํามาก็เข้าอธินาทานทําไปทํามาก็สายบันเทิงก็เป็นไม่แน่ใช่การเมสุมิชชาอาจารย์เป็นอาจารย์สอน มันแน่ว่าจะพ้นมุสาวาดหรือเปล่านั่นนะพ้นปิสุนาวาจาไม่อาชีพ ท, ทูดอะเนยังงเอกอักรราชจะทูดคือถ้าหากว่าถ้คือก็มีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีนะครับก็มีความทุกข์ยากน้ำหนักครูอาจารย์จริงๆมีนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับบุคิลใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับขันห้าใช่ไหมถ้าขันห้าในนั้นมีสักห้าสิบคนนี่ก็ มันก็มีมีห้าสิบปัญหานะฮะแล้วแล้วเวียกันมาทั้งปีนี่นะมีนะมีแน่นอนครับก็เขามาอยากรับสมัครอาชีพเจ้าวาดเนี่ยนะ <c oughs> รับสมัครคนอื่นนะไม่ใช่ว่าตัวเองไปสมัครนะ <c oughs> จังไกตอนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเอาเปิดโอกาสให้สอนทำนี่งนี่แหละเอ า, เอ า, เอามาตอนนี้ถามว่าตออเนี่ยนะจริงๆแล้วถามว่าอะไรปฏิคานินมิตรที่สุด ก็บอกเรื่องนี้ปฏิฆาณิมิต ท, ที่สุดน่ากลัวยิ่งกว่าป่าช้าที่สุดเนี่ยการดูแลคนเนี่ยสอนคนเนี่ยแนะนําเขานี่แหละอยกลัวจริงๆกลัวยิ่งกว่ากลัวผีอีกเนี่ยนะใครเห็นงองมามาพูดธรรมะอยู่อย่างนี้ น, ะนึกว่าหูยเยิบมีความสุขนะนี่ก็น้อ ง, องๆปฏิฆาณิมิตนั่นแหละเพราะว่าเห็นประโยชน์จึงทําแต่ว่าถามว่า ยินดีไหมมีความสุขไหมตอนกุศลจิตเกิดตอนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วก็โอ้หลีกเล่นมีความสุขกว่าเยอะเนี่ยนะไปเจริญได้ธรรมะวิตตกนี่มีความสุขมากก็อยากจะกล่าวว่าไม่มีสังขารตรงไหนแย่ไปแล้วสบายเชื่อฮหโดยที่สุดให้ไปเป็นผู้บริหารณที่นั้นๆทุกหนทุกแห่งเลยนะเข้าไปบริหารแค่บริหารครัวอยู่ครัวเดียวนี่ยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยนะ นนถ้าไปบริหารอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่น อ, อ, นอีกเนี่ยจากขนาดไหนมันเราก็น้อมมนา ส, สิการดูเถอะมันสังขารเข้าเป็นอย่างนี้จริงๆถ้ายิ่งเกี่ยวข้องกับขันห้ามากยิ่งยิ่งเดือดร้อนมากยิ่งทุกมากแล้วขันห้าเนี่ยนะก็อย่างว่าขันห้าที่อยู่ในกุศ ล, ลกรรมบทสิบหายากนักสมมติถ้าเราน ะ, ะสมมติคุณทําตัวได้ดีมากไม่แปดเปื้อนด้วยอกุศลกรรมบท10บเลย แต่ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ประกอบด้วยอากุศลกรรมบทสิบแม้แต่ข้อเดียวคนเดือดร้อนนะจะไปทำยังไง อ, อ่ะนหสมมติว่าอาพ่อแม่มีศีลทมดีเยี่ยมไปมีลูกที่ล่วงอากุศลกรรมบทสิบเนี่ยทาไงโอ้ก็โทมานัดของพ่อแม่ไม่ใช่น้อยใช่ไหมสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะสังขารจึงน่ากลัว นันผู้ที่เจริญวิปั ส, สนาเนี่ยแย่เข้าไปตรงไหนก็เหมือนกับหูมองเห็นปากเสือทั้งหมดเลยนะมองเห็นปากเสือมองเห็นปากอสอรพิษทั้งนั้นแหะแต่ว่าถ้าเท่าที่กล่าวเนี่ยนะเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายในสังขาร <Yeah. S 1> ก็เพียงพอจริงๆนะนะ <Yeah. S 1> เอาไว้ไปเกิดอินเดียเลยเพียง เคยที่ที่เราสมมติแม้กระทั่งเราที่ปรารรไปอินเดียเนี่ยนะก็คือดินแดนตรงนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้พ้นสังขารสักทีห น, น, นึ่งะนะที่สนใจจะไปเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่พ้นจากสังขารเราก็ไปปรารรว่า ผ, ผู้ที่พ้นจากสังขารเนี่เป็นสุขจริงหนอะเหนกผู้ที่พ้นจากสังขารถ้าหากว่าใครที่ไม่มีกรรมสักตาดีๆเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้หรอก แต่ถ้ามีกรรมสักตาดีๆจะรู้ว่าสังขารไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเลยนะแค่ว่าชาบนี้เคยถลกหนังกบมาเนี่ยมันให้ผลนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว น, นะถูกถลกหนังไม่รู้อีกกี่รอบเคยขังกบไว้ในตุ่มเนี่ยนะถูกขังอย่างนี้อีกกี่รอบก็ไม่ทราบ น, น, นะนาโอ้ทำบาไปไ้เยอะเนี่ยมหากกรรมเหล่านั้นมันให้ผลจะทำยังไง แล้วถามว่าคันห้ามันเป็นที่รองรับผลบุญผลบาปที่เขามีความหมายว่าเป็นที่ดูผลบุญผลบาปเนี่ยนะถ้าไอเหตุเหล่านั้นที่เคยทำมามันให้ผลจะเป็นยังไงทีนี้บุญก็ให้ผลบาปก็ให้ผลมันจะเป็นยังไงอัน น, นในบุคคลเดียวเนี่ยมีทั้งผลบุญผลบาปอยู่ในตัวจะเป็นยังไงโอ้ทุรักทุเลมากเลยนะสังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ควรแล้วที่จะพิจารณาสังขารทั้งหลาย เพื่อหลีกออกจากสังขารที่เรียกว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลแต่ที่นี้อสังขตะธรรมหรือนิพพานที่เป็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะถ้าไม่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารในอุปาทานขันหา้าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแทงตลอดอสังขตะธาตุอ น, นั้นมันก็ต้องเจริญวิปัสสนาเนี่ยเที่ยวหาโทษของขันห้าโดยประการทั้งปวง ห้ามหาโทษแต่ไม่ใช่โทสะเพราะเงื่อนไขก็บอกห้ามมียพิชากับโทมนั้ห้ามชอบห้ามชังแล้วให้ดูโทษต่อไปดูจนกว่าจะสังขารไหนก็เหมือนกันอันนี้ถ้าตามเห็นหาโทษเนี่ยนะก็เหมือนอะไรนะเข้าไปในป่าชาเนี่ยนะไปขุดหลุมไหนขึ้นมามันก็คือคือซากศพนะเหมือนกับเหมือนอะไรนะเหมือนเขาเขา อาชีพที่เขาเก็บลางฝ่าช้านะถ้าแย่เข้าไปในหลุมไหนมันจะสบายเนี่ยนะแบบนี้ก็อสุภะเต็มไปทุกขันเออในทุกๆร่างฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันผู้ที่เข้าใจ เ, เ, เข้าใจหลักการหรือเข้าใจคําสอนเนี่ยเขาถือว่าการโคจรแล้วเห็นอสุภะของร่างกายเนี่ยนะนั่นคืออมะตะนะเพราะจักเป็นไปเพื่อ กำจัดฉันธราคะาในในอุปาทานขันห้าขอ า, ามอไครับโลภมจิต น, านาี่มันเป็นสน่วนมนเวนาอง้ว่ามันเป็นกุไมถึงเป็นส่วนมนเวนาเป็นกุลจะเป็นส่วนมนเวนาได้อ้าวจะเป็นไรอ่ะทำไมจะไม่ได้มาไม่เป็นมนเวนา ถ้าอกุศลทุกอันเป็นโทมนัสเวทนาหมดนะโอ้ยนิพพานกันหมดแล้วเชื่อไหมทุกคนเนี่ยจะปฏิบัติเพื่อนิพพานหมดเลยถ้าอกุศลทุกอันเป็นโทมนัสหมดนะวัตตะมันไม่น่าเพลิดเพลินอะไรก็เขาบอกว่าคุณมุนมีเดี๋ยวจะซื้อของช่ำร่วยให้เนี่ยนะให้อะไรโบนัสปีนี้ห้าหมืน คุณโทมนัทเลยใช่ไหมโอ้ oh, โสมนัทมากเลยนะและให้หยุดด้วยสิบห้าวันไม่ต้องส่งไอ้กลาแมนเนี่ยนะสิบห้าวันนะให้โบนัสอีก5้า0มืนเนี่ยนะท่นอากุศลนี่จึงเป็นโสมนัท <c oughs> เนื่องจากว่าอากุศลมันเป็นโสมนัทนี่แหละหมูสัตว์จึงติดยิ่งนนะัก เาันถ้าใครที่ที่อากุศลโสมนัสลดลงนะคนนั้นไม่ชอบเข้าหมู่ละนะคนนั้นไม่ชอบหมู่คณะโดยประการทั้งปวงนะไม่ไม่ชอบคลุกคลีไม่ชอบพบปะแม้กระทั่งหน้าสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยนะไม่ไม่ยินดีที่จะพบถ้าอากุศลโสมนัสมนันลดลงเนี่ยนะ พันบุคคลเหล่านั้นจักน้อมไปเพื่อที่จะสงบประงับโดยประการทั้งปวงถ้าถ้าอากุศลโสมนัสมันลดลงนะจิตมันจะน้อมไปหาพระนิพพานเนี่ยมากแต่ถ้าอากุศลโสมนัสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะโอ้นิพพานเนี่ยเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเอาไว้ก่อนถออริยสัพน์เนี่ยเอาไว้ก่อนศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเอาไว้ก่อนเนี่ยนะก็เพลิดเพลินมากเนี่ยนะ อือนะพอพระสารีบุพระโมคขาลานะานะไปเที่ยวดูละครใช่ปกตินี้ดูแล้วโสมนัสมากวันนั้นไปดูแล้วโสมนัสไม่เกิดเลยนะโสมนัสที่เป็นอากุสลไม่เกิดเลยนะคนดูเนี่ยไม่ถึงร้อยปีก็ไม่เหลือชื่อเหลือแท่แล้วงั้นคนแสดงเนี่ยถึงร้อยปีหรือเปล่าเดี๋ยวก็หมดแล้วเป็นยังไง โอ้ยบวช ด, ดีกว่าสแสวงหาที่ที่ที่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายดีกว่านะก็เลยสแสวงหาธรรมะเป็นที่พ้นจากทุกงนี่ยน อ, อพูดถึงว่าในคำพีเนี่นะฮะเวลาพิจนารณาฮะ โดยมากเป็นขั้นของตรีนะปิญญาหมดนี่นะนะ่หมายความว่าถ้าเราเอาเอาขันใดขันหนึ่งนะทั้งนามธรรมรูปธรรมมาทำปริญญานี่นะฮะก็จะก็จะเห็นจริงๆครับว่าเห็นโทษเขาของเขาจริง ๆ, ๆ, ๆนะโดยพิจารณาไปสี่สิบกว่าโตนั่นนะครับเนี่ยไม่ว่าเอาเรื่องอะไรมานะ่มาพิจารณาในสี่สิบกว่าโตเนี่ย น, นีไม่พ้นนะครับที่เราเห็นเห็นโทษของเขาเนี่ยนะฮะเรื่นี้ก็ ผมก็เลยคิดว่าถ้าในขั้นยาตาปริญญาอย่างนี้เนี่ยนะฮะขั้นรู้เรื่องของกรรมเนี่ยเป็นยาตาปริญญาใช่ไหมครับกรรมกรรมมักกสกตาดีๆนั่นแหละคือยาตาปริญญาเพราะกรรมสกตาดีๆนั่นแหละคือการรู้สมุทัยสัตว์<ม>คือตัวตันหาเนี่ยนะถ้ามันไม่ไม่ไปดึงกรรมมาให้ผลนะตันหาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไร แต่เนื่องจากว่าตัณหาเนี่ยมันเมื่อมีตัณหาขึ้นตัณหาจะไปดึงกรรมมาเพราะตัณหามันเป็นตัวเชื่อมกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะเชื่อมพบไปสู่พบเชื่อมคติเอาไว้ในคติเป็นต้นเนี่ยไหยตัณหามันเป็นตัวเชื่อมมาตัณหามันเป็นตัวประสานเพราะเนื่องจากว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวประสานให้อย่างเราๆทั้งหลายนั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปฏิสนธิในอบายได้ทันได้เลยเนี่ยเพราะอะไรอะไรเป็นตัวประสานเอาไว้ แล้วตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวประสานเอาไว้ถามว่าประสานไว้เมื่อไหร่ประสานไว้นานแล้วเนี่ยไปประสานไว้ทุกข์หน่อยนะคือหมายความว่าวันนี้เนี่ยเรานับสังขารไว้พบกันเนี่ยตั้งแต่เช้ามาจนค่ําเลยนะก็วันนี้ก็ยังสนทนากันมาว่ากิจกรรมของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะคือกิจกรรมต่อวัตฏะทั้งหมด น, นลย ทุกเรื่องนะแม้แต่จะไปเอาผ้าไปบูชาพระเจดีไปทําบุญไปอะไรก็ตามเถอะก็คือไปขยายวัตถะถ้าไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อออกนะทุกกิจกรรมเหล่านั้นคือการขยายวัตถะไปจ่ายตลาดก็คือไปขยายวัตถะไปทํางานก็คือไปขยายวัตถะนั่งอยู่ใชเฉยๆก็นั่งขยายวัตถะนอนก็นอนขยายวัตถะนั่นเอง เพราะว่ า, เ, าเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนั้นนะเงื่อนไขของวัตตะเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นกฎเกณฑ์เขาเรียกว่ากรรมมนิยามก็มาฟังธรรมอย่างนี้เพื่อจะไล่ลดการขยายวัตตะเนี่ยนะคือที่ผมยกมานี่นะผมผมมองเห็นความสําคัญนะฮะในในเรื่องการเรียนรู้เรื่องของกรรมทั้งหลายนี่นะฮะที่ที่เรารู้เนี่ยเรารู้หยาบหยาบเรายังไม่รู้ละเอียด แล้วก็พระอภิธรรมนะปริเฉธาพระพิธรรมเนี่ยมัตสังขารนี่จะช่วยมากเลยผมยังคิดว่าผมยังต้องไปทบทวนให้ละเอียดนะในใ น, ในเรื่องกรรมเพราะว่าเป็นเป็นัญญาตัดปัญญาอย่างดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใด ย, ยังยังไม่ค่อยแม่นในเรื่องนี้นะก็ไปศึกษานะในเรื่องกรรมเนี่ครนะับในวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศเนี่ยนะ ที่สุดที่มักปัญญานิเทศเล่มสุดท้ายเนี่ยที่เป็นกังขาวิตรณาวิสุทธิหรือปัจญาปริขหายานนั่นแหละคือเรื่องกรรมเพราะว่ากรรมมัสกตานี่ก็อยู่ในกลุ่มยาตะปริญญาพันท่าผู้ที่ไม่สงสัยในเรื่องกรรมคือเข้าใจกฎเกณฑ์ของการให้ให้ผลของกรรมเนี่ยนะทั้งเป็นกลุ่มกรรมที่นำเอ่อเรียกว่ากรรมที่ตัวให้ผลเนี่ยนะ ว่าอะไรให้ผลในชาตินี้อะไรให้ผลในชาติหน้าอะไรให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นเนี่ยนะอะไรมาทํากิจนําเกิดอะไรมาทําอุปธรรมอะไรมาเบียดเบียนอะไรมาตัดรอนนะอะไรเป็นครุกรรมอาสัญกรรมอาจินกรรมกตัดตาวาปนกรรมเป็นต้นถ้าศึกษากรรมอย่างนี้ให้ดีแล้วก็ทั้งเป็นไปในทวารหแล้วก็ศึกษาเรื่องจูติปฏิสนที่เรื่องอารมณ์ที่สัมพันธ์สืบเนื่องกันไปซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือการเข้าใจเรื่อง ชีวิตเนี่ยนะเรามาฟังทำเนี่ยนะมีหูได้ยินเสียงเนี่ไปยังไงมายังไงตัวเนี้ยจะต้องอที่สําคัญมากก็คือกรร ม, มสศกตาให้มันอยู่ในชีวิตที่เป็นจริงให้เป็นจริงมันอยากจะแนะนําให้ไปสาธยายเรื่องกรรมและผลของกรรมในทวารหกบ่อยๆเนี่ยนะหูได้ยินเสียงนี่ก็ได้ยินเสียงฝนตกเนี่ยนะก็มาปารัให้เห็นกรรมและผลของกรรม แล้วก็ให้เชื่อมเป็นเหตุเป็นผลในการสามทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่สัมพันธ์เพราะว่าวิบากที่เราได้รับนะหูเป็นผลของกรรมโสตะวิญญาณเป็นผลของกรรมภาษาเวทนาก็เป็นผลของกรรมกรรมในอดีตนะพอได้ยินเสียงแล้วทากรรมใหม่ยังไงคิดถึงฝนตกเป็นมโนกรรมพูดถึงเสียงของฝนเนี่ยนะเป็นกายกรรมถือร่มเป็นต้นเพื่อกั้นกลางถือร่ม ก็เป็นกายกรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็กรรมสามอยู่ในฝนพูดรวมๆแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยนะตรงไหนมั่งที่เราไม่ได้ไปทํากรรมเอาไว้ผู้การเนี่ยได้พูดทำวัจีกรรมไว้เกือบทั่วโลกนะเพราะพูดถึงเกือบทั่วโล ก, กใช่ไหมก็แสดงว่าได้ทําวจีกรรมเอาไว้ทุกขนทุกแห่งไว้หมดแล้วนะถ้าคิดถึงมากคิดถึงทุกขนทุกแห่งก็ทํามโนกรรมเอาไว้มาก ไปท่องเที่ยวไปมาทั่วโลกก็ไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาทั่วโลกเนี่ยนะนี่ก็จะไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่อินเดียแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้าจะไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแถวแถวชนบุรีหน่อยคือกรรมเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธิน่ฮะจนกระทั่งทุกขณะจิตที่ผ่านมานี่เกี่ยวข้องกับกรรมหมด เพราะฉะนั้นผู้ใดที่รู้เรื่องกรรมก็เท่ากับว่ารู้เรื่องราวของชีวิตผุไปไปไปจบทั้งหมดแล้วผมจึงให้ความสำคัญนี้เรื่องนี้มากเลยเพราะฉะนั้นท่านที่ศึกษายังไม่รู้เรื่องกรรมก็ไปไปหาอ่านนะไปศึกษามื่ผมอยากให้ผู้ที่ <c oughs> ท่านที่สามารถสอนเรื่องนี้ได้นะเช่นอาจจะเป็นคุณทาลินีหรืออาจจะคุณชูศรีนี่นะ ที่สามารถสอนเรื่องนี้ได้ถ้าหากว่าในช่วงที่พระอาจารย์ลหลีกเล่นเนี่ยนะผมว่าอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยลงมาช่วยสงเคราะห์เพื่อนๆนี่นการปูพื้นไว้ก่อนหน้าศึกษามากนะเรื่องกรรมถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมสมุทยาสาัจจะนี่ก็แทบจะไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าปิยรูปสารรูปเนี่ยนะทั้งหกสิบใช่ไหม อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ภาษา6เวทนา6เจตนา6สัญญา6ตันหา6วิตก6วิจารห6เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าอย่างดังกล่าวว่าปิยรูปสาธรูปที่ใดเนี่ยนะที่นั่นเราจะทำกรรมได้มากถ้าเทียบกับอปียรูปอาสาตรูป อย่างชีวิตของเรานะที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดเชื่อไหมว่าโดยมากเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นปิยรูปสาตรรูปสําหรับเราถ้าเป็นอาปิยรูปอาสาตรรูปสําหรับเรานะเราจะโอ้ยเลี่ยงห่างอธิษฐานสมาธาิด้วยวัชาตินี้ให้มันห่างกนันเป็นร้อยโยชน์นั่นแหละถ้าเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มอปิยรูปอาสาตรรูปใช่ไหย <S <S เช่นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราพยายามจะหลบพยายามจะหลีกพยายามที่จะไม่ต้องการฉั้นกรรมทั้งหลายเวลาเราทำเนี่ยทำใน ปีรูปสารรูปพันตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความยึดถืออุปาทานนั่นแหละก็เลยทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในปยรูปสาตรูปทั้งหลายซึ่งเราโคจรไปในกายกรรมวจีกรรมมนโนเออะไรนะในปีรูปสาต ร, รูปเนี่ยทํากรรมบ่อยมากเนีนะทำมากจริงๆเพราะพอที่จะมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยกำหนดนิมิตทบหมายได้เลยนั่นนะทุกเรื่องเลยนะทุกอารมณ์เนี่ย อย่างที่คุณรุ่งว่านะถ้ามีคํามีคําว่าเอมดีมาแล้วผมไปดีแน่กำลังนั้นมีศัพท์นี้ขึ้นมาแ่ะอย่างตอนนี้ถ้าใครมีโซนี่ขึ้นเป็นอารมณ์หมอล้วแต่ไงมีโซนี่เป็นอารมณ์เนี่ยนะคำเดียวเนี่ยควรจะไปที่ไหนดีเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าใครไปทําอะไรไว้นะทั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทุกๆคําเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกรรมทั้งหมดแม้กระทั่งมีคําว่าธรรมะมีคําว่ากุศลหรืออกุศลเป็นอารมณ์แล้วเนี่ย แทบจะบอกได้เลยว่าพบใหม่อยู่ที่ไหนแต่ถ้าศึกษากรรมดีๆนะเพราะพวกนี้มันจะอธิบายได้ในรายละเอียดในเรื่องของของกรรมเนื่องจากว่าความเป็นไปในวะตะัตฏะเนี่ยนะเป็นที่ที่ทํากรรมเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเมื่อเราทํากรรมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะทำมากขนาดนี้ในลนนักษณะนี้ทั้งกุศลบ้างอากุศลบ้างกรรมจะไม่น่ากลัวได้อย่างไร อ๋อไม่ดีแล้วทาไม่เข้าใจเพราะเข้าใจทุกเรื่องมันจะแยะ่นะแค่นั้นก็พอละมันก็พยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีๆนะถ้าเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ดีนิพพานนี่ไม่ใช่ฐานะอนะไม่ไม่ใช่ฐานะว่านิพพานของเราเนี่ยคืออะไรดังที่กล่าวหลายๆท่านว่านิพพานของเราจริงๆอ่ะคืออะไร พระพุทธเจ้าจึงตรัสในทุกขสัจจะนิโรธเนี่ยนะอขออภัยในนิโรสัจจะในสติปัฏฐานว่าความดับด้วยสา ม, มารถสํารอกไม่เหลือความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั่นแหละเรียกว่านิพพานเนี่ยนะวิราคะเนี่ยนะวิราคะเนี่ยเป็นที่คลายกําหนัดความสละสละคืนปล่อยวางไม่มีอะไร นะตัดอะไรในขันห้าได้นั่นแหละเป็นเป็นพระนิพาน น, น, นาั่นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้เสียที่ไหนคือถ้าจะละเนี่ยละที่ไหนล่ะเมื่อจะดับย่อมดับที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกนะก็ปิย ร, รูปสารรูปนเตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้เสียในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับเสียได้ใน ที่นั้นที่ที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราก็แต่ถ้าเราไม่ไม่นึกถึงว่าที่รักเป็นที่รักเป็นที่พอใจนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นะก็ไม่รู้จะดับตัณหาเพื่อประโยชน์อะไรถ้าถ้าไม่มองว่าที่อันเป็นที่รักที่พอใจของเราเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะ โอ้ที่จะดับตันหาเป็นไปไม่ได้เะันการทําตีรณะปริญญาในปียรูปสาตรูปนั้นจึงจึงจําเป็นมากนันะยิ่งบุคคลใดมีปียรูปสาตรูปมากยิ่งต้องเอามาทําปริญญาให้มากนะนะบุวัตถุใดที่เป็นปียรูปสาตรูปนะถ้ากล่าวตรงๆอ่ะ ต, ตรงนั้นน่ยควรต้องเอามาทําปริญญาให้เร็วที่สุดเพราะถ้าไม่ทําปริญญาในวัตถุนั้นอะไรจะเกิดขึ้น โอ้ความทุกเนี่ยนะแม้กระทั่งทุกในภพนี้ก็มีใช่น้อยใช่ไหมจำกล่าวไปยัยถึงทุกขในภพต่อๆไปเพราะว่าเราทําบาปทั้งหลายเนี่ยเราทําบาปเพราะปียรูปสารูปนะเราเห็นแก่ปิยรูปสาตรูปนะเราจึงทาบาปถ้าไม่เห็นแก่ปิยรูปสาตรูปเราจะไม่ทําบาปเลยหลายคนเนี่ยจะไม่ฆ่าเห็บข้าหมัดฆ่าอะไรสักอย่างถ้าไม่รักหมาใช่ไหม เขเกิดมาเนี่ยเขาก็ไม่แถบใหม่มีเหตุผลจะต้องไปทําปาณาติบาตโดยประการทั้งปวงมีหมามาเลี้ยงแค่นั้นแหละโหหกเห็บจิกหมัดตายไปทุกวันนิยมคนหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยกลัวๆอยู่เหมือนกันว่าจะไปเกิดเป็นเห็บเนี่ยเขาบอกงั้นแล้วก็อันปีรูปสาตารูปเนี่ยนะเป็นเป็นเหตุผลให้เราทําบาปอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เลยพอมีลูกนะยุงมากัดใช่ไหมทําไงก็รีบฆ่ายุงก่อนที่มันจะกัดลูกเรา เพราะมีปียรูปสาตรูปมันหวงแหนเนี่ยก็ไม่อยากให้บางคนนี่ไม่ฆ่าสัตว์เลยพอมีบ้านมีปลวกขึ้นบ้านเท่านั้นแหละพ่นเลยวันก่อนโยมมาเล่าว่าเนี่ยกลับไปทำปานาติบัติมาแล้วว่างั้นทำไมล่ะก็บอกปลวกมันขึ้นเสาบ้านก็เลยต้องพ่นกันหน่อย mm hmm. ก็เลยพ่นปลวกตายบ้านนะเออมันตายไปแล้วอะ่ะมันก็เอาใหม่นะสมาทานศีลใหม่ก็แล้วกันว่างั้น เพราะปีรูปสาตรูปเป็นที่ตั้งแห่งการทําบาปไม่ใช่น้อยเราฆ่าสัตว์สมมติว่าเราฆ่าบุคคลอื่นเพราะเรารักตัวเราหรือรักวัตถุอันเป็นที่รักของเราเราทํามาทินนาทานทําบาปอากุศลสารพัดอย่างก็เพราะปยรูปสาตรูปเมื่อไปทําอกุศลเพราะโดยวัตถุ น, นั้นเป็นปัจจัยถามว่าจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะในระยะยาวสูงสุดจึงให้ผลเป็นเป็นความทุกข์เนี่ยนะ